ชาวิสัชนาคุณกับท่านลรงตาและลงศัรกดิ์พีนาโยตอนเกลียดทุกทุกรักสุข ด, ดีรักชั่วชัาค่ะวันไหนคะค่ะพี่หลวงตาให้พิยาความตายากบนี้อาิย์นะคะพอหนูพีนาหนูกลับไปหนูกะทำทุกวันนะคะแต่เหมือนว่า เอพอทำไปแล้วหนูเหมือนเหมือนเร่งหรือว่าหนูแบบมีความอยากมากเกินไปอะค่ะมันก็เลยเกิดอาการเหมือนคล้ายๆเหมือนคนจะบ้าค่ะมันเครียดเกินนะคะดงตาหนูเลยต้องแก้ไขยังไงคะเราไม่เป็นตัว น, นั้นเราอยู่ในทกากลางของอาการที่บบเว้อวาวไปแคๆไ ว, ๆไวทองนั่นเอ เราไม่พยายามไปดับอาการใบทองแล้วเราไม่ได้เป็นอาการใบทองอาการที่มันวววว่าภายในจิตนั่นแหละมันเป็นแต่กิริยาการที่มันววววว่าอย่างนั้นแหละเราเป็นใจที่อยู่ท่ามกลางใจที่ไม่มีอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยใจที่ได้แต่รู้ด้วยความไม่มีอะไรไม่ปรากฏอะไรแต่รับรู้อาการนั้นโดยที่ไม่เข้าไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไปวุ่นวายกับเขาไปไปทําให้เขาหายไปเราเราเคยดูหนังอันแน่นไหม พระโยเคยดูหนังกำลังภายในไหมหนังพวกนินจานินจาหรือกำลังภายในนะตรงกลางวงล้อมเนี่ยจะมีคนชุดขาวคนชุดขาวหนวดขาวๆเนี่ยเขาเรียกปรมาจารย์หรือสื่อแปหรือว่าเป็นพระเอกก็ได้ที่ตกอยู่กลางวงล้อมจะเป็นคนใส่ชุดขาวทั้งชุดที่มันเว่อว่ๆเหมือนเคยๆเอ๋คนไปลกไวทองอ่ะคนไม่เคยไปลกไวทองก็จะไม่รู้ได้มันเป็นยังไงเราอ่ะือ คนเป็นคนเป็นโรคไวท์องจะมีอาการมันอาการมันว้าว้าว้าวอาการมันมันสารพัดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้มันเกิดจากอะไรบางที่หาสาเหตุไม่ได้วันที่มันเหมือนคนบ้าจะบ้าขึ้นมามันมันบุ๋ดหิตมันลำคามันว้าว้าวอย่างนั้นี่ะมันเป็นเหมือนคนมีอาการเป็นไวท์องพอดีเราไม่เราไม่ใช่คนอยู่ในไวท์องเลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่อาการนั้นมันอาการที่เราพูดมันเหมือนคนเป็นไวท์องมันมันหาสาเหตุไม่ได้อยู่ๆมันก็ไม่สบายใจขึ้นมาโดยไม่จับสาเหตุ ต้องถามคนที่มีเคยมีอาการเป็น vai, vai ไวทองเขาอธิบายว่าไงเดี๋ยว่าไงคนอาการไวทองเป็นยังไงเนี่ยลองอธิบายหน่อยที่เอาไมค์เขาพูดหน่อยที่อ่ะเป็นไงคนคนที่มีอาการไวทองมันเป็นยังไงถ้าผู้ชายก็เป็นนะไม่ว่าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวตอนนี้ผ่านไวทองมานานแล้วจําไม่ค่อยได้แล้วอาจารย์เป็นงไงก็มันใจมันก็จะว๊อกแฟ๊บร๊อกแว๊บ อ ย, อยู่เรื่อๆเราก็มีความรู้สึกเหมือนใจมันแปบบ๊แบๆบเหมือนคนใจหายเรื่อยๆบ่อยๆแล้วก็ทางร่างกายก็จะมีอาการร้อนวูบวาบเนี yeah. ่ยแล้วโยมก็เคยไปหาไปหาหมอหมอจ่ายยาใครเทียดมาให้ทานเหมือนกับว่าจริงๆมันก็จริงๆถ้าเรามีความรู้สึกเราไม่ไปยุ่งกับอาการมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นไร แต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเราไม่ชอบอาการนี้ที่คนเป็นไวัยทองจะไม่ชอบอาการนี้แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันคือไวท์ทองมันเป็นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันเป็นอีกแล้วมันก็หายไปค่ะอ๋อโยเนี่ยมันจะไม่น่าจะเป็นไวัยทองเพราะอายุเขายังน้อยอยู่ถ้าไวัยทองมันต้องสี่สิบอัพแต่มันก็คล้ายๆเนี่ยมันถึงว่าเปรียบเทียบอาการ มือนอย่างั้นว้ว่าว่าว่าวอะไรเป็นราอะไรก็ได้ในใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ก็ตามในทุกขริยาการเนี่ยแหละเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายเขาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปของเขาเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเราจะไปยุ่งวุ่นวายเขาเลยเหมือนคนที่มาหาหลวงปู่ทาเขาจิตเขาเคยสงบมากเลยแล้วก็ไม่สงบเขาเลยงุนหงิดกับอาการของจิตที่ไม่สงบเขาพยายามจะทําให้มันสงบนั้นก็ไม่สงบเขาเลยงุนหงิดรำคาญมาโหมาอยู่หลายวันก็ไปหาหลวงปู่ทา หลวงพ่อตาเขาเลยบอกว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทางนั้นไะแค่นั้นแไงใจเขาสงบไปเลยส่วนอาการที่มันจะสงบหรือไม่สงบเขาไม่ได้สนใจเลยแต่ใจเขาสงบไปแล้วคือสมงบจากความไปวุ่นวายกับพยายามจะทําให้มันสงบใจเขาเลยว่างเปล่าไปคือสงบแล้วว่างเปล่าไปเลยไปคล้ายอย่างเนี้ใจไปยุ่งกับเขาไปยุ่งวุ่นวายเขาสงบก็เอาไม่สงบก็เอามันเอามาทางนั้นไงจะไปทําให้พฤติกรรมของจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไป เราจะเตียงแค่ว่าจะไปยุ่งมันวายกับเขาสงบก็บเอาไม่สงบก็บเอาเป็นแค่รับรู้ ร, รับทราบใจอย่าเข้าไปยุ่งมันวายกับเขาแค่นั้นแหละมีอะไรก็ทําไปมีอะไรก็ทําไปใช่หาะเพราหนูมันจะไปจัดการทุกอย่างเลยค่ะแล้วพอหนูแบบทนไม่ได้หนูก็แบบรู้สึกว่ามันเครียดมากจนหนูต้องไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าหนูต้องไปบําบัดเพราะหนูเกิดภาวะความเครียดสูงเลยค่ะ<น>เราจะไปยุ่งกับมันถ้าเราเข้าใจว่าสภ า, าวะทุกข์กริยาการ ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับกิยาการเหล่านั้นนี่ยเราจะเข้าใจการเป็นอยู่ของโลกเราจะเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของการจัดการลูกกับจัดการสามีจัดการเรื่องนั้นใดในโลกคือเรามีแต่หน้าที่ที่ทำโดยสมบูรณ์ด้วยสตยิปัญญาความรู้ความสามารถแต่ใจเราอย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวาย <kal. S 2> เป็นเด็ดขาดห้ามเอาใจเข้าไปยุ่งเราวเราจะมีความสุขที่สุดในโลกถ้าใจไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดจะมีความสุขที่สุดในโลกส่วนปัญหา ในโลกนี้ทุกปัญหาต้องใช human, ้ความรู้ความสามารถเฉพาะตนที่เราเรียนมาต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเข้าไปจัดการส่วนใครจะจัดการได้ได้ดีกว่าใครก็อยู่ที่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนแต่ใจเท่านั้นเนี่ยอย่าเอาเข้าไปมีอารมณ์ร่วมถ้าใจเข้าไปมีอารมณ์ร่วมจะมีแต่ความทุกข์ถ้าใจไม่เข้าไปมีอารมณ์ร่วมเราสามารถจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้โดยเหตุและผลแต่ถ้าใจเราเข้าไปมีอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่มีแต่เหตุผลมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์เข้ามามีความทุกข์เข้ามา นั้นเราไม่เข้าใจเรื่องการจัด ก, การภายนอกเราจะเข้าไปจัด ก, การกับลูกจัด ก, การกับสามีจัด ก, การกับทุกอย่างโดยใช้อารมณ์ใจลอยและไม่ส ง, งบเราเลยพอมาถึงกับกิริยาการเราก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเราจะจัด ก, การกับทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างไรคือเราเนี่ยอยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาใจเราสงบแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะดีขึ้นเองมันอยู่ที่ใจของเราต่างหากแต่เราจะพยายามทําอะไรทุกอย่าง โดยที่เราเข้าไปมีส่วนได้เสียโดยที่เราก็้าไมีอารมณ์ร่วมนั่นแน่นเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้มันเหมือนเนี่ถ้าใครดูเคยดูหนัง ก, กําลังภายในหรือดูพวกนินจามันจะมีปรมาจารย์สื่อแฟนไอ้ผมขาวหนวดขาวขาวโพนอยู่ตรงกลางวงล้อมที่ที่เก่งมากที่วิยุทธที่เก่งมากมันจะถูกพวกที่มีกําลังภายในเยอะๆมาล้อมจะฆ่าเขาอะหรือพวกที่นินจาใส่ไอวงสีดํา วิ่งวนอบเพราะเพาายกำลังภายในที่พยายามจะฆ่าเขาเนี่ยแต่สังเกตไ้ยคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีแต่ความสงบไม่เคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวมีแต่ความสงบไม่หวั่นไหวนี่คือตัวสำคัญที่สุดคือรับรู้ทุกอย่างโดยไม่หวั่นไหวนี่สำคัญที่สุดเลยที่จะรอดได้ รอดได้จริงๆในชีวิตยอยู่ในโลกนี้รอดได้จริงๆและชีวิตยอยู่ในท่ามกลางมรสุมของปัญหาก็รอดได้คือความไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งใดคนปรมาจารย์สื่อแปรที่อยู่กาลางหมวกล้อมเนี่ยสีขาวจะคนชุดขาวเนะี่ยเขาไม่หวั่นไหวเลยรับรู้สิ่งรอบตัวเขาด้วยใจที่สงบแต่เพราะความที่เขาเนี่ยมีความสงบและไม่หวั่นไหวไปตามไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อมีใครที่เข้ามาใกล้เขาที่สุดเนี่ยมันก็จะมีคลื่นพลังคลื่นของลมคลื่นของพลังที่เข้ามาใกล้ตัวเขาที่สุดเขาก็จะรู้แล้วก็ก็ตวัดแว๊บไปทีเดียวตวัดอาวุธไปทีเดียวคนนั้นก็ตายไปแล้วก็อาวุธก็เก็บไปอยู่ที่เดิมเดิมไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเขาชักอาวุธมาจากตรงไหนแล้วเก็บไปตรงไหนแต่เดี๋ยวเขากลับมาแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้เคลื่อนไหวมามาตลอดการยังอยู่เหมือนเดิม ไม่วันไหวไปตามอาการไม่วันไหวไปตามสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเร็วปานใดก็ตามทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะความสงบนเนี่ยเนี่ยมันจึงสามารถสยบความเคลื่อนไหวได้ความเคลื่อนไหวที่ใกล้เข้าตัวเข้ามาเร็วที่สุดเขาก็ชักท๊กเดียเด๋ยวชักกรดิกทัเดี๋ยวสิ่งนั้นก็ตายไปหรือควายขยี้ว่างอาวุธมาแล้วเขาก็สวัดทักไปอาวุธนั้นก็เด่นไปโดยที่ไม่ต้องหันไปมองเพราะอาศัยความสงบ จึงรู้ถึงความเพื่อนไหวได้และใจไม่หวันไหวแต่ถ้าเราวันไหวซะเองเราจะไม่รับรู้ถึงความหวันไหวได้ได้ชัดเราจะติดไปกับอาการติดไปกับอารมณ์ติดไปกับความรู้สึกเราจะมีอารมณ์ร่วงแล้วเราจะมีความทุกข์และถูกฆ่าตายนั้นถ้าคนอยู่กามู่ล้อมปรมาจารย์ชึกนขาวอยู่กางมู่ล้อมถูกฆ่าตะวันไหวไปตามอาการละลาละลางไปหมดเลยไปตกกังวลไปหมดเขาถูกฆ่าตายแน่นอน อันที่เขาลอดตายก็เพราะว่าเขามีความสงบจึงสามารถสยบความเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ว่าเราไปไล่ดับอาการที่เคลื่อนไหวให้มันสงบนี่นะสสำคัญที่สุดนะไม่ใช่เขาเข้าใจผิดว่าไปไล่ดับอาการเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันสงบไม่ถ้าเราพยายามไปไล่ดับไอ้พวกที่มันเหมือนกริทุกกีริยาการที่มันวิ่งวิ่งเป็นพวกนินจาที่วิ่งวิ่งรอบๆอรอบอบ ใจกำลังภายในวิ่งวนรอบท่านน่ะด้วยความเร็วสูงเนี่ยถ้าเราเนี่ยพยายามไปไล่ดับเขาตายอย่างเดียวเข้าไปแทรกในกาวงล้อมตายอย่างเดียวใจเราต้องไม่หวั่นไหวไปตามอาการทุกอย่างก็จะรอดปลอดภัยนะไม่ต้องกินยาด้วยถ้าพยายามมาไปยุ่งกับอาการเนี่ยไล่ดับอาการต้กินยาหรือพยายามไปทําใจให้นิ่ง ไม่ยอมรับรู้อาการก็ต้องกินยาเหมือนกัน on ถ้าเราทําใจนิ one, ่งๆไม่ยอมรับร mm ู้อาการตาอย่างเดียวมันเหมือนกับไปพวกนินจาพวกที่มีกำลังภายในเร็วๆมันล้อมเต็มหมดเลยเราทําใจนิ่งๆหลับตานิ่งทําใจนิ่งๆอย่างเดียวไม่ยอมไปรับรู้พวกที่เคลื่อนไหวอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างตาอย่างเดียวแต่ถ้าเราก็ไปยุ่วดวายกับอาการก็ตายอย่างเดียวทั้งไม่ทําใจนิ่งๆทั้งไม่เข้าไป วุ่นวายกับอาการแค่สัตว์วรับรู้ปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปเขาบันตามความเป็นจริงไม่วันไหวไปตามอาการาแส้นเนืจะเหนือกว่าทุกสิ่งทุกตาครับเมื่อคืนนี้มาดึกก็เลยเดินจงกรมรอบ A D, เจดีก็สติครับเน้นสติเป็นหลักพอเดินเดินก็อธิษฐานด้วยว่าไหนไหนมาดึกแล้วก็ขอเดินให้ได้มากที่สุด ให้ให้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าให้ทําเราก้าวหน้าขึ้นอะไรนี่ครับหลวงตาก็เดินไปเรื่อยจนจนจนจนรู้สึกความเป็นสมาธิสมาธิพอเป็นสมาธิปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราเออเราเราวางขันห้าได้ได้มากขึ้นครับขันห้าแต่มันก็ยังไม่ไม่ต่อเนื่องครับหลวงตาแต่เช้านี้มาเราก็มาเดินต่ออีก เดินต่อเพื่อให้เหมือนกับว่าให้จิตมันมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นสมาธิขึ้นครับแต่มันก็ยังยังยังยังไม่มันมันก็ไม่่อเนื่ยครับหนูตามันก็ยังยังยังมีเผลอเผลนไปเรื่อยเผลอไปบ้างอะไรเนี้ยครับหนตาบางครั้งคือติดผมจะติดติดดีครับหนูตา ยอมรับ ว, วัตถุท ด, ดีอะไรที่ไม่ดีมามันจะผักใสโดยโดยโดยโด ย, โดยไม่ค่อยรู้ตัวครับมันก็เลยกลายเป็นการการการการบีบการเครียดไปทับ่างตาเป็น อ, อย่างนั้นไปครับไอ้ที่เรารู้อย่างนั้นนะถูกต้องแนละ้วที่เรารู้ว่าเราติดดีนะถูกต้องนะเราก็ลังจะบอกว่าทําปฏิบัติผิดคือปฏิบัติว่าจะดีเอาไอ้ที่ไม่ดีไม่ถูกใจไม่เอาเกียด เกียรติทุกลักสุขดีรักชัวช่างเกียรติทุกลักสุขแล้วปัดใบบัดเอ๊มันติดมันติดเลยมันติดมันถูกขังอยู่ในห้องกระจกเลยเหมือนเกือบถูกขังอยู่ในห้องไรสภาพที่เรามองไม่เห็นว่าอะไรขังเราอยู่แต่ที่เรา ต, ดดติดดีเนี่ยมันขังเราอยู่แล้วเราก็หาทางออกไม่ได้คือพอเราติดดีพวกความไม่ดีหรือความทุกข์ก็เข้าครอบงํ า, งงาได้เราติดสุขความทุกข์ก็เข้าครอบงาได้ ถ้นเราไม่ติดอะไรเลยห้องเหมือนกับห้องที่ไร้สภาพหรือห้องกระจกที่ขังเราไว้มันก็แตกระเบิดออกไปไม่ติดทั้งสุขไม่ติดทั้งมันไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์สุขก็ผ่านเข้ามาก็ผ่านไปทุกข์ก็มาก็ผ่านไปสุขก็มาก็ผ่านไปทุกข์ก็มาก็ผ่านไปไม่ติดทั้งอย่างเดียวห้องกระจกหรือว่าไอห้องที่ไร้สภาพที่มองไม่เห็นเนี่ยที่มันขังเราไว้ขังจิตเดิมแท้ไว้มันก็ระเบิดออกไปจิตเดิมแท้เป็นสภาพที่ไม่มีตัวตนไม่รูปร่างไม่มีอะไรเลยมันก็ ระเบิดออกไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลเหมือนกับไอ้ห้องกระจกที่มันหุ้มไว้มันระเบิดทิ้งไปนั้นถ้าเราติดดีว่ามันถูกขังอยู่ในห้องแก้วห้องกระจกแก้วหรือว่าลูกโป่งแก้วอะถูกขังไว้ภายในหาทางออกไปได้เราก็จะวนติดอยู่ในสุกกระทุกุกข์ทุกอยู่ภายในนั่นแหละถ้าเราปล่อยวางไปซะไม่ติดดีไม่ติดเบาไม่ติดสบายทุกข์ก็ไม่ติดมาด้วย ไอ้อยู่ก็แค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบรู้แล้วผ่านไปปล่อยผ่านไปรู้แล้วปล่อยผ่านไปรู้ปล่อยผ่านไปสักแต่วรู้สักแต่วรู้น้องตารครับเวลาเราสมมุติว่าเวลาเราเราสติสมาธิเราทันกับกับขันห้าทั้งหลายนะครับน้องตารู้สึกว่าผมเข้าใจตัวเองหรือเปล่าครับว่ารู้ว่ามันมันสว่างมากขึ้นมันมันถูกไหมฮะน้องตาหรือว่าถูกแล้วมันก็พลมิสมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็สงบมีความสว่างมากขึ้น แต่ถึงจะมียังไงมันก็ไม่เที่ยงท้าเราไปยึดมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะสว่างจะสงบจะปองสายขนาดไหนถ้าเราไปยึดความเศ้าหมองก็ต้องเกิดขึ้นพอเราไปยึดความสว่างความว่างความไม่สว่างความไม่ว่างก็ต้องเกิดขึ้นครับก็จะพยายามรู้ท่าพันขันห้าให้ให้ให้ให้ทุกให้ครอบทุกอย่างให้ให้ให้ให้ให้ให้เท่าพันธทุกอย่างครับลูกตาพยายามจะรู้ ว่ามันเป็นขันห้าทั้งหมดเป็นขันขันห้าทั้งหมดไม่ไม่ไม่ไม่ยึดไม่ไม่ไม่นั่นครับจะมันจะอธิบายไม่ถูกกันหรอกจาก็จะพยายามจะแบบปล่อยวางขันห้าทั้งหมดครับมันก็แค่ปล่อยวางขันห้าทุกขณะปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าปล่อยวางหมดแล้วเดี๋ยวเราจะว่างนะพิธีกาจะพูดว่าจะว่างไม่ใช่นะจะไป็นไม้ว่างไว้อย่างเงี้ยติดเลยติดมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่แค่ปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันแค่นั้นนะรับรู้ด้วยความปล่อยวาง แเราปล่อยวาไม่ได้ใจมันคอยจะไปยุ่งของกุญยาโน้นยุ่วันนี้อยู่วันนี้คอยเม่อเพลินไปแล้วก็พุทโธไว้ไอ้พุทโธเป็นหลักใจไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ว่าจะทําอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักใจไว้ไม่งั้นพอหลุดจากพุทโธไปมันก็ไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพันไปตรงจิตออกนอกไปเกาะนั่นไปรักนั่นชังนี่ชังนี้รักนั่นไปผักไส่ใจที่ไม่สบายจะเอาแต่ใจสบายไว้ม so ันไม่แช่แค่สัตวารู้แต่มันเข้าไปดิ้นรนฝักไส่อะไรชอบใจก็จะเอาไว้อะไรไม่ชอบใจก็ดหผัไสมกจะเิ้นตลอด ดั้นจึงเอาหลักใจไว้พุทโธพุทโธพุทโธไอ้มันแค่รู้แค่รู้แค่รับรู้รับทราบตามกวามเปจริงไงทุกกระาจิตปัจจุบันให้พุทโธไว้แล้วก็รู้ด้วยว่าเราเข้าไปรักไปชังหรือเปล่าไปพอใจไม่พอใจอะไรหรือเปล่าหรือแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไอ้พุทโธพุทโธไว้นะต่อไปพอเราอยู่แค่รับรู้รับทราบหรือสับตั้รู้ได้ไม่ไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจสิ่งใด เดี๋ยวเจีกเขาปล่อยวางพุทโธพีเองไงเขาก็ไจเป็นต้องเอาหลักผูกไว้มีใครถามอะไรไมพ่อกับแม่โยมาเนี่ยจะถามอะไรหมโยมถามนะมีทำอะไรมปฏิบัติบ้างหรือเปล่าล่ะพ่อกับแม่โยปฏิบัติบ้างหรือเปล่าล่ะมาดิปฏิบัติเลยเนาะฟังซีดีก็ที่ซีดีได้ไปต้องเปิดเครื่องดีวีดีนะฟังตั้งใจฟัง ว่เขาสอนอะไรก็พูดอะไรแล้วเราจริงไม้มเราเป็นอย่างเขาไหมเ้าสอนอะไรก็พูดอะไรแล้วมันจริงอย่างที่เขาว่าไหมเราก็ปฏิบัติอายุมากแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปโดยฟ ร, ฟรีเกิดมาเป็นโมฆะเปล่าๆบ้านสวนนะ่ะมันก็มีความดีอยู่แล้วบรรยากาศมันก็ดีสงบลมเย็นดีเราก็ซีดีไปเปิดเครื่องดีวดีแล้วตั้งใจฟังอธิษฐานว่าตบมืุเพื่อทำประสงค์อธิษฐานว่าเราจะต้องฟังให้เข้าใจให้ได้วัลลัคต์ไม่ใช่ว่าเปิดไว้เป็นเพื่อน ตั้งใจอธิษฐานตบุญประทับประสงเพว่าครูบาอาจารย์ว่าเราจะเปิดเนี่ยเอซดี LCD เนี่ยที่เขาให้ไปเอาเพื่อเปิดก็เราจะฟังให้มันรู้มันเห็นเข้าใจได้ใจของเราในวันเราแท็กวัราแท็กวัราแท็ ก, ท, กทุกวันไม่เว้นไม่อย่างนั้นเราก็จะฟังเพลิ น, นฟังม้างไหมฟังมั่งแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทําความเข้าใจต้องฟังแล้วตั้งใจทําความเข้าใจจริงๆฮนะมันก็จะเกิดประโยชน์เองเนี่ยรับรองมันไม่มีหรอกที่ไปเกิดประโยชน์ขอให้เราตั้งใจฟังจริงๆ ธรรมของพรุทธเจ้าย่อมเข้าถึงใจเองถ้าใจเราเปิดรับแต่ใจเราไม่เปิดรับธรรมก็ไม่ไหลเข้ามาเองอะละต้องตั้งใจนะไม่งั้นมีแต่ความทุกข์ตายไปเป็นโมฆะเปล่าเสียทีจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประจากษ์สนามีผู้สอนธรรมชี้ธรรมแต่เราปล่อยวางเราปล่อยวางไปไม่สนใจมันก็จะเสียหายตายไปด้วยความทุกข์ขออนุญาตเยนถามพระอาจารย์ค่ะ เมืม่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ถอดกระดูกอะคะ่ะความหมายคือต้องนั่งสมาธิแล้วโฟกัสเข้าไปที่ตรงข้อต่อแล้วค่อยถอดมันออกมาละคะจะทำยังไงก็ได้อย่าให้มันเป็นเป็นโครงกระดูกให้มันเอาไฟเผาก็ได้เอาลดไปบให้ชทำละเอียดภายในก็ได้จะทํำยังไงมันเป็นผุยผงไปตุดีเป็นดินไปอ๋อแล้วไอ้ตรงจะทํำยังไงนี่คือมันจะเกิดขึ้นมาให้เรารู้เองโดยเราต้อง สร้างมโนนึกขึ้นมาออสร้างความรู้สึกขึ้นมาอทอมันแตกภูฟังสลายไปหรือเป็นเหมือนไก่ของเก่าแตกรายงานแล้วก็กระดูกค่อยๆกลายเป็นของเก่าแตกรายงานแตกโปกลายเป็นคิดเต่าตุลีสลายหายไปหมดออืหรือเราจะใช้พอเห็นแล้วเห็นกระดูกแล้วเราก็ถามผู้รู้ก็ไปในใจของเราว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรายืนพื้นอยู่ตรงนี้ไงถามธรรมหรือผู้รู้ในใจเราเนี่ยธาตรู้ที่เป็นธาตรู้เนี่ยคือเป็นพุทธะธรรมะสังฆะ ธาต ร, kan, สสร oui. ู้ในใจของเราเนี่ยเป็นธาตุรู้แล้วก็ถามเข้าไปถามพอเราเห็นอะไรแล้วก็ถามเข้าไปเรื่อยว่าถามท่านรู้ถามใจของเราหรือถามพุทธะในใจเรานั่นแหว่ากระดูกที่เราเห็นเนี่ยกระดูกของเราที่เราเห็นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงยืนอยู่ตรงนั้นน่ะกว่าไร่แล้วเท่าเราจะชัดเจนในใจของเราจนซึ่งความยึดบ้านถือบ้านปล่อยวางไปไปรู้ไปละไปรู้อะไรเห็นอะไรอีกก็ถามก็ไปอีกมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราคําตอบจะผุดขึ้นมาเองใช่ใช่ มันจะไม่ใช่แบบเกิดขึ้นมาเลยทันทีอาจจะตอนใจจดจ่อกับมันเป็นวันเป็นคืนหลายวันหลายคืนเน่ยถึงจะเข้าใจได้หมดขอบคุณมากจัง